พระไตรปิฎกเล่มที่12 ส, สาลยักัสูตรและเวรันชากัสสูตรเรื่องเหตุปัจจัยนำไปสุขติและทุกติทรงแสดงธรรมะที่หมู่บ้านพราหม์ชื่อสาลาและแสดงที่เมืองเวรันชาทั้งสองพระสูตรเนื้อความเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ละผู้ฟังเท่านั้นนะครับ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเกตกรุงสาวสถีสมัยนั้นผู้ปรามและกะหาบดีชาวเมืองเวรัญชาเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคและสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปแขวนโกศลถึงบ้านปรามชื่อศาลาของชาวโกศลครั้งนั้นปรามและกะหาบดีชาวบ้านศาลา ข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทบางพวกประนมมือบางพวกประกาศชื่อละโคตบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่นาที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาควา่าข้าแต่พระโกดมพุ้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจะตายแล้วไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตเนรก หรือไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารามและขหาบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจะตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรบเพราะวิสมาจริยาความประพฤติไม่สม่ำเสมอคืออธรรมจริยาความประพฤติอธรรมเป็นเหตุ สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติ ธ, ธรรมเป็นเหตุพรามและทหาบดีเหล่านั้นกราบทูลขอให้ทรงเล่าเนื้อความนี้โดยละเอียดจึงทรงตรัสแสดงไว้ดังนี้พราหมณ์และทหาบดีทั้งหลายวิสมารจริยาความประพฤติไม่สม่ำเสมอคืออธรรมจริยา ความประพฤติธรรมทางกายมีสามประการความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางวาจามีสประการความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีสามประการความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางกายมีสามประการคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว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 สเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายและน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวและน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่อยู่ในปกครองของโคตหรือตระกูลหญิงที่ประพฤติธรรม มีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้คือมั่นหมายไว้ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมทางกายมีสามประการอย่างนี้แหละความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมทางวาจามีสี่ประการ คือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทหรืออยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสํานักเขาถูกอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุรุษนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น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 ยุโยงคนที่สามารถขี่กันส่งเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเลิศเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันผู้แตดห้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคำหยาบคือพูดแต่คำหยาบกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาจแก่ผู้อื่นประทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธ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 สำหรับข้อนี้รวมถึงการเขียนการสนทนาทางโซเชียลเน็ตเวิร์หรือผ่านช่องทางใดก็ตามก็จัดอยู่ในความประพฤติธรรมทางวาจาเช่นกันนะครับความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมี3ประการคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นคือเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์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 คือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทาชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณอบปติกสัตว์ไม่มีข้อนี้คือเชื่อว่าเทวดาเปรตสันรกไม่มีอยู่จริงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธอธรรมทางใจมีสามประการอย่างนี้แหละพรามและก็หาบดีทั้งหลายสัตว์บางพว ก, กในโลกนี้หลังจะตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติธอธรรมเป็นเหตุอย่างนี้ ทั้งหมดรวมเป็น10บข้อเรียกว่าอากุศุลกรรมบท10ประการจากนั้นตรัสถึงความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางกายมี3ประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางวาจามี4ประการคือไม่พูดเท็จ ไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติ ท, ทางใจมีสามประการคือไม่เพ่งลรงอยากได้ของผู้อื่นไม่มีจิตพยาบาทมีสัมมาทิฏฐิคือเชื่อว่าผลแห่งทานมีจริงวิบากกรรมมีจริงโลกหน้านรกสวรร์เทวดาเปรตพรหมมีจริงมารดาบิดามีคุณ และผู้ปฏิบัติบับลลูธรรมมีอยู่จริงรวมทั้งหมดเรียกว่ากุศลกรรมรบทสิบประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติ ธ, ธรรมเป็นเหตุพรามและหกหว ด, ดีิทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติ ธ, ธรรมด้วยกุศลกรรมรบทสิประการนี้ จะพึงหวังว่าหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในพวกกติย a มหาศสารคือในตระกูลกษัตริย์มีอำนาจมากหรือเราพึงเกิดในพวกกษตร์บดีมหาศารคือตระกูลที่ร่ำรวยมากย่อมเป็นไปได้ที่จะสมปรารถนาเพราะข้อที่ได้ประพฤติธรรมด้วยกุศ ล, ลกรรมบทสิบประการนี้ บุคคลใดประพฤติธธ ร, รมด้วยกุศลกรรมบทสิประการนี้แล้วมีความหวังว่าหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดในเทพเหล่าใดเหล่าหนึ่งชั้นใดชั้นหนึง่งคือเทพชั้นจตุมหาราชชั้นดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีพระนิมิตาสวัติเทพูนับเนื่องในหมู่พรมชั้นอาภาปริตาภาอัปปมานาภา อภัสราปริตตสุภาอปปมานสุภาสุภกินหาเวหัผลาอาวิหาอตตปา ส, า, สาสุทัสสาสุทัสสีอกากานิตะภพเทผู้เข้าถึงอากาศสานัญจายตนะภพเทผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพเทผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพและเทผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพ เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้วบุคคล น, นั้นจะพึงเกิดในเทพชั้นใดชั้นหนึ่งตามปรารถนานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคล น, นั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมคือกุศลกรรมบดสิประการนี้อย่างนั้นแลพรามและกะหบบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือผู้ประพฤติ ธ, ธรรมกุศลกรรมบทสิบประการนี้จะพึงหวังว่าทำอย่างไรหนอเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ที่บุคคล น, นั้นจะพึงทำให้สาเร็จตามปรารถนาด้วยการเป็นผู้ประพฤติสม่าเสมอ คือพระพฤติธรรมกุศลกรรมบรดสิประการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกพราหมณ์และกหบดีชาวบ้านสาลาได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมปฏิญาตนเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสรรนักสูงสุดตลอดชีวิต